ทนฟังที่ครบค่ะและสำหรับในตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะพบกับพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบที่จะมาขยายความพระสูตรซึ่งน่าสนใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ข่าก็แล้วแต่ว่าท่านจะนำมาจากภาคไหนนะคะนำมัส ก, การกับท่านคะแจค่ะเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงภัยต่างๆที่คนกลัวกันอยู่ค่ะ เขาว่าอีกสิสองปีโลกจะแตกเขาว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพภายใน1ิปีต้องหนีกันละหรือไม่งั้นก็ต้องทำเขื่อนที่อ่าวไทย mm hmm. และยังรวมไปถึงที่โหราจาร์ทั้งหลายบอกว่ามันอาจจะเกิดสงครามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า uh, ใช่ท <c oughs> ีนี้ <c oughs> พระสูตรของพระพุทธเจ้าวันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดไปแล้วด้วยหรือไม่คะเออจะในที่ทพูดมาก็เป็นเรื่องของภายในอนาคตต่างทีนี้ ในในอนาคตภัยเนี่ยพระผู้มีพระคาาเจ้าเนี่ยให้เรามองย้อนเข้ามาในตัวเองว่าให้ระวังว่าในอนาคตภัยในอนาคตเนี่ยจะมีภัยต่างๆอยู่แล้วก็ให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท <Okay. S 1> ให้เป็นผู้มีเพียรเผาเลสเพื่อทําให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ทําให้ถึง <Okay. S 1> เพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งสิ้นโดยเร็วยึดภายในะอะไรก็ตามเนี่ยให้เรา น้อมกลับเข้ามาในตัวซึ่งท่านตรัดไว้ประมาณสามตัวอย่างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็คือว่ า, านใ น, น, า น, ในตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยพระพู้มีพระภากเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุในกรณีนี้พิจารณาชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังยาววัยยังรุ่นขนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกาลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมโนสิการถึงคาสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทําได้สะดวกเลยและจะเสพจเสนาสนะอันเงียบสงบซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทําได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งแอนไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจ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 เราไปคิดถึงภัยนะพท่วมสงครามต่างๆแต่พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยบอกว่าให้ระวังว่าเอ่ยความแก่เนี่ยจะมาถึงเราแล้วนะเป็นภัยอย่างห น, นึ่งอันนี้น่ากลัวมากนี่ถ้าความแก่มาถึงเนี่ยเราถามตัวเองอย่างว่าเราได้รู้จักคำสอนของท่านผู้รู้แล้วหรือยัง <c oughs> ซึ่งพระผู้มีพระเจ้าบอกว่าถ้าเมื่อความแก่มาถึงเนี่ยจะมาเนริการถึงคําสอนของท่านผู้รู้เนี่ย ทำไม่ได้สะดวกเลยแต่เสพเสนาสนะอันเนี่ยสงบเป็นป่าชัดก็ทําไม่ได้ง่ายท่านเลยให้ว่าก่อนแต่ความแก่เนี้ยจะมาถึงเราเนี่ยเราต้องรีบทําความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราบรรลุแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีความแก่เท่าเข้ามาเราก็ยังอยู่เป็นผ่าสุขนี้ตัวอย่างที่สองท่านจัดว่าภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัด น, นี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความ อ, อบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้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 ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคของเราถ้าความเจ็บไข้มาถึงแล้วจะมรดสิการถึงคาสอนของท่านผู้รู้ก็ทำไม่ได้ง่ายาอีกข้อหนึ่งท่านตรัดว่าพิกษณาทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้หมูคนะ่คณะมีความสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทนเดียวกันอยู่เป็นภาสุ แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่หมู่คณะแตกกันเมื่อหมู่คณะแตกกันแล้วจะมณฑสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสเสนาสะนะนเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือหมู่คณะแตกกันนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทงความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำใหแจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสสุขแม้ในคราวที่หมูกแตกกันดังนี้ <Okay. S 1> ท่านกรตัดว่าภายอนาคตเนี่ยมีเหล่านี้ซึ่งภิกษุผู้มองเห็นแล้วควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียนเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในการทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปค่ะอันนี้ก็สามประการ<อ>คือตอนแรกยังคิด ว, ว่าพระพุทธองค์จะตรัสถึงเรื่องภัยจากการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่ปรากฏว่า<อ>พูดถึงแก่เจ็บแล้วมาภ<อ>ัายแห่งความแตกสามัคคนะใช่ก็ท่านพูดถึงแล้วว่าจะมีภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้เราเร่งรีบทำความเพียรซะเหมือนตะกายเต็มที่เนี่ย แต่ว่าว่ภาภัยเนี้ยจะมาถึงละรีบทางความเพียรอยู่แล้วก็จริงๆมีอพระสูตรหนึ่งเนี้ยที่ท่านพูดถึงเรียกว่าให้เจริญมาราณาสติคือให้คิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยเรามาจะคิดว่าให้คิดถึงความตายตลอดเวลานี่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่า <S <S แต่ถ้าเรามาฟังพระสูตรเนี้ยเออจะมองว่าพระพุทธเจ้าเนี้ยให้สอนให้เราไม่ประมาทอย่างแท้จริงเดี๋ยวจะลองอ่านให้ดู ะ <S <S จะลองอานให้ฟังภิกษุทั้งหลายมรณะสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ผ่านกลางวันมาถึงกลางคืนแล้วพิจารณาเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเร า, มาแมลงป่องปล่อยเราหรือตะขาบกัดเราหรือว่าเราเดินพลาดล้มลง อาหารไม่ย่อยดีกำเริบเสมหะกำเริบหรือลมต่างๆกำเริบหรือว่าพวกมนุษย์หรืออมนุษย์ทำร้ายเราความตายก็จะมีแกเรา <Okay. S 1> นั่นเป็นอันตรายของเราดังนี้ภิกษ <Okay. S 1> ุ น, นั้นเพิ่งพิจารณาสืบไปว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอากุศลที่เรายัางละไม่ได้แล้วเป็นอันตรายแกเราผู้ทำกาละ นนงลงไปในคืนนี้นัคือจะสิ้นชีพลงไปในคืนนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายถ้าพิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าแบบาอกุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่ภิกษุนั้นพึงกระทําซึ่งฉันทะวายามะอุสาหะอุสุละฮีอปปติวานีสติและสังเปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะละเสียซึ่งแบบอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วน เช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุบรงแล้วจะพึงกระทําซึ่งฉันทะวายามะอุสาหะอุโสละฮีอับปฏิวานีสติและสัะชัญญะอันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันอืคือให้เร่งมากเออใช่คือให้พิจารณาว่าเนี่ยเา ความตายเนี่ยมาถึงเราได้ปลอดเวลาจะ <Okay. S 2> เกิดจะงูต่องูโฉกเร า, มาแมลงป่วงต่อยเราหรือว่าเออเดินหกลม้มเออากาศกีฬา ง, ง่ายๆเจะทาให้ความตายมีแก่เราได้ท่าให้พิจารณาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีแบบอกุศลอยู่ในจิตใจของเราไหมถ้ามีอยู่ให้ใช้ความเพียรเนี่ยในการที่จะละบาปอกุศลเราดันเสียโดยดวนอย่าง <Yeah. S 2> ได้กับผู้ที่มี เสื้อผ้าหรือาศรษะที่มีไฟลุโคงอยู่ก็เท่ากับว่าอนาคตภัยในความหมายของพระพุทธองค์เนี่ยนอกเหนือจากสี่เรื่องยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะคือมีภัยจากความแก่ภัยจากการป่วยภัยจากการแตกสมรภูภัยก็ตายจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องของพวกในประสูตรที่ พระสูตนแรกเนี่ยก็จะมีที่ท่านพูดถึงเรื่องของภิกษาหายาคข้าวกล้าหายากแล้วก็เมื่อมีการทะเลาะกันก็จะมีการเรืองภัยคือโจรป่ากำเริบขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้ยก็ทําให้เราสามารถจะไม่สามารถที่จะป่ารบความเพียรได้อย่างง่ายเพราะนั้นในสถานการณ์ที่ยังเป็นปกติอยู่เนี่ยพระผู้มีพระเจ้าให้เร่งป่ารบความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุครับ คุวนต่างๆเกิขึ้นในใจก็รีบให้ไถ่ถอนบันเทาทำให้สิ้นสุดลงไปเท่ากับว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยได้ตรัสรู้รรมมาก็จะช่วยพวกสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะคนนะคะทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่อะไรก็ตามในระหว่างที่มีชีวิตเนี่ยก็อย่าใจเย็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะและอย่าประมาท <laughs> เพราะว่า <laughs> จริงๆแล้วเคยอ่านใน ร้อยแปดตถาคตภาสิทธ์อันนี้นะคะ<ม>ก็มีการสรุปเอาไว้ว่าความชรามีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้เนี่ยมีอยู่ความมีอยู่ในความไม่มีโรค<อ>ความตายมีอยู่ในชีวิตใช่ถูกต้องอันนี้ถ้าท่องไว้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำ ใ, ให้ดำเนินรอยตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงเตือนเอาไว้นะคะใช่แต่ที่เราจะไปกังวลกับเอ่อเอ่อเรื่องที่เอ่อ อันตรายเช่นพวกน้ำท่วมหรือว่าการทะเลาะเบาะแวงกันให้รีบ ม, มากังวลเรื่องว่าความแก่จะมาถึงเราความเจ็บความตายจะมาถึงเราแลนะวินาทีไหนก็ได้เออย่างมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่อง อ, อในพสูตรแรกที่เรื่องก่อนว่าการที่ความปอมดองของหมู่คณะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าเมื่อหมู่คณะมีความสามัคคีปองดองกันอยู่เนี่ยเราก็ควรจะรีบทําความเพียรเพราะว่าจะมีวันหนึ่งที่ หมู่คณะแตกกันถ้าหมู่คณะแตกกันแต่จะมโนศิกการถึงคําสอนของท่านผูรูทั้งหลายเนี่ยทําไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เความแตกสามัคคีจะเกิดขึ้นเราก็ให้เร่งรีบทําความเพียรซะเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อที่ทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งค่ะอันนี้ท่านอาจจะตรัสถึงกับมู่สงหรือเปล่าคะที่บอกว่าหมู่คณะแตกสามาคัคคีใช่แต่ยังสังคมไทยตอนนี้เนี่ย ก็อาจจะมีปัญหาของความไม่เห็นตรงกันอยู่มากนะคะมันก็จะได้เห็นเหมือนกันนะคะท่านว่าบางอย่างมันก็ไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยเห็นไปในทางเดียวกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็ตัดสินใจทําอะไรยากนี่ก็เป็นคําสอนของพุทธองค์ซึ่งซึ่งแสดงว่าอย่างนี้ไหมคะว่าทรงเห็นความสําคัญของความสมัครคีมากถึงได้พูดถึงว่าเป็นอนาคตภัย ถ้าถูกต้องแม้แต่การที่การที่พระเจ้าบัญญัติเอศีลต่างของพระต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้หมู่คณะเนี่ยสามารถอยู่กันได้อย่างผาสุขมีมีข้อการประพฤติปฏิบัติมีวินัยต่างๆที่ทําให้พระภิกษุเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะอยู่กันได้ตองดองกันได้อย่างดีค่ะเรียกว่าทรงวางไว้มากไหมคะท่านอมีมีหลายๆที่เลยทั้งเป็นทั้งเป็นธรรมทั้งเป็นวินัย ทางธรรมก็มีเช่นที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าท่านเข้าไปในหมู่คณะใดาแล้วก็เห็นหมู่คณะนั้นเนี่ยมีความสามัคคีปลองรองกันเข้ากันได้ ด, ดุลนๆๆๆๆ้ํำกับน้หนนอก็ให้ท่านกระต่ยว่าก็ให้รู้ได้เลยว่าในหมู่คณะนั้นเนี่ยก็มีการที่จะพยายามละความคิดในทางอากุศลอยู่ตลอดเวลาและความคิดในทางการพยายามเบียดเบียนอยู่ตลอดเวล า, า, าความสามัคคีก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างนี้เราก็ต้อง ปลูกฝังเป็นการปลูกฝีให้วัคซีนไปก่อนไหมคะในสังคมนี้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วจะต้องมีกรารพยาบาทเบดเบียนน้อยมีกรามนี่มันคือพวกกิเลสแต่ก็คือความพอใจในตาหูดุูเลิ้นกายใจในการที่ไปสัมผัสในสิ่งที่ลด อ, อร่อยทางรูปเสียงกลิ่นก็ผลิภาณธรรมรมณ์ต่างๆซึ่งการที่เราจะมาละาความคิดในทางกรารพยาบาทเบดเบียนสิ่งที่มันอุรเนี่ย ถ้าผู้มีพระเจ้าได้ตัดไว้คือว่าการมาจเจริญนณนาปานาสติสมาธิเองที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าการที่บุคคลใดมาจเจรณนนาปานาสติให้มากแล้วเนี่ยออาณาปานาสติสมาธิเนี่ยจะเป็นของรำงับเป็นของประนีเป็นของเย็นเป็นสุ ข, ขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้อัตรตะทานไปให้รำงับไปได้โดยคนแก่ธรรมะ คือเป็นไปโดยอัตโนมัติ<ไ>ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราเหมือนทําทุกวนันทุกวนันทุกวันเนี่ยอ่าความคิดในทางการพยาบาลรายเดือนเนี่ยก็จะค่อยๆเบาๆลงได้อุปมาที่ท่านพูดเนี่ยธนาว่างดงามมากแล้วก็เป็นอุปมาที่อมาอมีความอชอบใจมากเป็นเสี้ยที่ท่านตัดไว้ว่าเอเปรียบเหมือนฝุนทุรีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมา ย่อมทางฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรทานไปให้รับนับไปได้โดยควแก่ฐานะข้อดีสันใดอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็เป็นของระนับเป็นของประณีเป็นของเย็นเป็นสุขเวิหารและย่อมอยังอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รับนับไปโดยควรแก่ฐานะได้เช่น น, น, นั้นเป็นครั้ ค่ะต้องบอกว่าสาธุเลยนะคะแล้วคงต้องกราบเรียนท่านว่าวันนี้ก็คงจะได้เท่านี้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามต้องถือว่ามีความหมายมากมายมหาศาลถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะน้อมนำมาไปปฏิบัตินะคะวันนี้ก็ต้องนมัสการขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรพระภิกษุที่มีปฏิปทาในการที่จะช่วยเผยแผ่ธรรมวินัยจากพุทธโอดของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งจากวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิทนะคะน้อมสักการกะท่านค่ะเจรย์พร